เิดหน้าแปดสิบสานะของเราไม่มีใครมีอายุถึงนะรวมสองคนเกินอีกเรียนเป็นเอาเป็นเล่มๆนี้มาก็ดีเหมือนกันนะไม่ต้องพิมพ์เอกสารนะดีมาก น่าจะรู้วิธีนี้มาตั้งนานแล้วไม่ต้องมานั่งตรวจดูวเจ็บตาหมดมาดูในคือตั้งแต่ปฐมภัษายตนาสูตรเป็นต้นมาเนี่ยนะซึ่งข้อความที่ พ ร, พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้เนะี่ยเป็นข้อความที่น่าสนใจมา ก, ก น, นะคือเอาไว้ตรวจสอบเราเองด้วยคือพุทธพจน์ที่พระองค์ตรัสว่าก็ภิกษุบางรูปไม่ทราบชัดความเกิดความดับอัสาธาอาทีนวะและอวยเป็นเครื่องสลัดออกคือ น, นิสรณะนะแห่งภัษายตนะหกตามความเป็นจริง พรหมจันทร์อันเธอยังไม่อยู่จบแล้วเธอเชื่อว่าเป็นผู้อยู่ไกลจากธรรมวินัยนี้นั่นอันถ้าหากว่าผู้ที่ขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องเหตุเกิดความดับอัศาธาอาทีนวะนิสรณะเนี่ยนั่นก็นับว่าห่างไกลธรรมวินัยนี้มากอันนี้เป็นเป็นเครื่องตรวจสอบเป็นเครื่องวัดการปฏิบัติของเราด้วยเหมือนกันว่าเราอยู่ใกล้ชิด พระศาสนาหรือว่าอยู่ห่างพระศาสนาพระพุทธศาสนาเนี่ยนะเพราะข้อปฏิบัติก็คือการรู้จักความเกิดการรู้จักความดับการรู้จักอาสาธาอาทีนวะนิสรณะของภาษายตนาหกเป็นต้นนั่นเองอันนี้ยกตัวอย่างมาเฉพาะภาษายตนา6กนะตัวสําคัญของชีวิตนะก็มี6อย่างนี่นแหละชีวิตนะเราจะให้ความสําคัญกับหอย่างไม้มากนะตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ย อันถ้าหากว่ารอบรู้ในเหตุเกิดเกิดด้วยอาการเท่าไรอไหนไตานี้เกิดด้วยอาการห้าหูเกิดด้วยอาการห้าจมูกลิ้นกายเนี้ยเกิดด้วยอาการอย่างละห้าใจนี้เกิดด้วยอาการห้าตาหูจมูกลิ้นกายเนี้ยเพราะอาหารเกิดนะตัวเด่นนะที่แตกต่างกันคือเพราะอาหารเกิดตาหูจมูกลิ้นกายใจจึงเกิดส่วนทวารใจเนี้ยก็คือเพราะนามรูปเกิด ตาหูจมูกลิลนก า, ายใจเกิดนะที่เหลือก็เหมือนกันนะความดับก็เพราะอาหารดับตาหูจมูกเลนกายใจก็ตาหูจมูกิ้น ก, า, า, ย ก, า, ก, นก า, ายก็ดับเพราะนารูปดับจิตก็ดับหรือใจเนี่ยนะก็ดับนะเหตุเกิดความดับตาหูจมูกลิลนก า, ายใจนี่มีอาสาธะอะไรอาสาธะก็คือตาหูจมูกลิลนก า, ายเนี่ยนะเป็นที่ตั้งแห่งสุขและโสมมนัทใช่ ตาหูจมูกลิ้นกายใจก็เป็นสิ่งที่น่ายินดีความยินดีทั้งหลายก็อาศัยตาหูจมูกลิ้นกายใจนี้เกิดขึ้นอันนี้เป็นอัาธะของตาหูจมูกลิ้นกายใจส่วนโทษนะ่ะโทษก็คือจักสุไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาอันนี้ก็คือถือว่าเป็นโทษของจักสุทั้งหลายอริยมรตมีองค์แปดที่แทงตลอดท่นนิพานเป็นอารมณ์นี้ถือว่าเป็น นิสรนิสรณะคือการออกจากตาหูจมูกลิ้นกายใจได้อย่างแท้จริงอันถ้าหากว่าผู้ที่ไม่มีความรู้ความเข้าใจหรือไม่ได้เจริญไม่ได้ปฏิบัติตามนี้ก็ชื่อว่าเป็นผู้ไกลาจากธรรมวินัยนี้เพราะอย่าลืมว่าไตรสิกขาก็คือการเจริญเพื่อแทงตลอดสิ่งเหล่านี้นั่นเองถ้าจะว่าไปนะศีลเนี่ยมีศีลข้อไหนพ้นตาหูจมูกลิ้นกายใจบ้าง อบรมส ม, มะถะมีส ม, มะถะอะไรมัง่งพ้นตาหูจ ม, มูกลิ้นกายใจหรือเจริญวิปัสสนานะมีวิปัสสนาข้อไหนมัง่งพ้นสิ่งเหล่านี้ก็ไม่พ้นอยู่แล้วเพราะฉะนั้นธรรมวินัยก็คือการมารอบรู้ในสิ่งเหล่านี้เช่นที่เรารักษาศีลเนี่ยนะเหตุผลหนึ่งก็คือไม่ต้องการตาหูจ ม, มูกลิ้นกายใจที่มันไปโผล่ในอบายใช่ไหมเพราะการปฏิสนธิในอบายก็คือ ความทุ้ศีลเนี่ยเป็นเหตุให้เกิดตาหูจมูกลิ้นกายใจในอาบายเพราะฉนั้นจึงต้องรักษาเจตนาศีลนะอันนี้เหตุผลสำคัญเบื้องแรกเลยในขณะเดียวกันถ้าหากว่าผู้ที่รักษาศีลดีศีลก็ถือว่าเป็นเบื้องบาทที่จะอบรมสมถะต่อไปอบรมสมถะก็คืออะไรอย่างอารมณ์ทั้งหลายที่เป็นอารมณ์ของสมถะนะพรหมวิหารก็อาศัยทวารไหนเกิน อาศัยทวารใจใช่ไหมถ้าชาจะอบรมเหมอะนนะก็ไม่พ้นใจไปได้อีกนั่นแหละเพราะตัวเมตาก็เกิดร่วมกับกับใจถ้าใครมีเมตตาจริงๆแผลเมตตาแผลไปด้วยอะไรก็ด้วยใจอีกนั่นแหละนั่นแหละหรือกรรมฐานอื่นๆเนี่ยนะกะสินกสินก็ใช้ตาอีกนั่นแหละดูกสินตั้งอาเริ่มแรกก็เกี่ยวข้องกับตาหูอีกอยู่ดีส่วนวิปัสสนาทั้งหลายเนี่ยนะวิปัสสนาทั้งหลายเป็นเรื่องของมโนทวารนะมโนทวารที่ ใคร่ครวญหรือพิจารณาอย่างวันนี้ดูข้อความในดีกาวิสุทธิมักพูดถึงเรื่องการกําหนดรู้แข็งแข็งของเส้นผมอันเนี้การรู้แข็งแบบปัญจทวารเนี้ยก็รู้แข็งแบบธรรมดาไม่ใช่ไม่ใช่รู้ลักษณะแข็งที่ที่เป็นปัญจทวารปัญจทวารที่รู้แข็งเนี้ย ก็รู้แข็งแบบทั่วๆไปธรรมดาแต่ตัวที่รู้ลักษณะแข็งกักขลาระณณังเนี่ยนะอันนี้รู้ด้วยมโนทวารการพิจารณาสภาพแข็งเป็นต้นเนี่ยพร้อมกับการวิจัยสิ่งเหล่านั้ น, น, นโดยโรอบเป็นวิปัสนาที่เกิดทางมโนทวารอย่างเดียวไม่ใช่เจริญทางปัญจทวาร <c oughs> มันไม่ใช่ว่าเจริญวิปัสนากำหนดรู้แข็งทางเส้นผมแล้วก็นั่งรูปผมอยู่ครึ่งวันอย่างเงี้ยนะไม่ใช่ ดีกาวิสติมักเลยงั้นการเจริญวิปัสสนาก็เป็นเรื่องมโนทวารเฮ้ผู้ที่อบรมวิปัสสนามากๆเข้าเนี่ยมันก็ต้องมาสอบสวนดูว่าจิตที่เป็นวิปัสสนามีอะไรเป็นเหตุเกิดมีอะไรเป็นความดับใช่ไหมเกิดมันจะบริบูรณ์ไปด้วยยังไงถ้าไม่เกิดเนี่ยเพราะอะไรจึงไม่เกิดมันก็ต้องเอามาทําปริญญาเอามาทําวิจัยใคร่ครวนทั้งหมดนะแล้วก็การเจริญส ม, มถวิปัสสนาทั้งหลายหรือการอบรมไตรศิขา ในศาสนาเนี่ยเพื่อต้องการออกจากตาหูจมูกลิ้นกายใจอันนี้คือคือวัตถุประสงค์ของศาสนานี้เลยนะถ้าเป็นจุดสูงสุดเนี่ยเพื่อต้องการออกจากตาหูจมูกลิ้นกายใจพอใจไหมคุณบุญชูถ้าจะออกจากสิ่งนะั้นนึงพอใจน ะ, จะแสดงว่าเห็นภัยของมันถมไม่เต็มรอบตานะ ม, มีใครดูอิ่มหูก็ไม่มีใครถมเต็มนะฟังให้พอเนะี่ยไม่มีพอ ทุกทวารเลยนะี่ไม่มีพออะ่ะเพราะอะไรเพราะทวารทุกทวารเป็นที่อาศาัยเกิดของตันหาใช่ไหมแต่ถ้าหากว่าผู้ที่กําจัดชั้นทราคะในทวารทั้งมวลเหล่านี้ได้ผู้นั้นก็ก็พ้นละ่ะหลังจากที่พระผู้มีพระภาคตรัสว่าผู้ที่ไม่รู้ชัดความเกิดความดับอาสาธาอาทีนวะนิสรณะของภาษา ย, ยตนาหกตามความเป็นจริงเนี่ยนะีก็เชื่อว่าเป็นผู้อยู่ไกลจากธรรมวินัยนี้เมื่อพระองค์ตรัสอย่างนี้ ภิกษุรูปหนึ่งได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญก็ข้าพระองค์เป็นผู้ชี้ภายแล้วในธรรมวินัยนี้เพราะข้าพระองค์นี้ไม่ทราบชัดความเกิดความดับอัส า, าธาอาทีนวะและนิสรณะแห่งภาษายตนาหกตามความเป็นจริงพระองค์ก็ถามว่าดูก่อนภิกษุเธอจะสําคัญความข้อนั้นเป็นไนเธอพิจารณาเห็นจากโศว่า นั่นไม่ใช่ของเราเราไม่เป็นนั่นนั่นไม่ใช่อัตตาของเราหรือพินะษุรูปนั้นก็กราบทูลว่าพระเจ้าค่านะพระองค์ก็บอกว่าสาธุภิษุในข้อนั้นการที่เธอพิจารณาเห็นจักโสว่านั่นไม่ใช่ของเราเราไม่เป็นนั่นนั่นไม่ใช่อัตตาของเราจักเป็นอันเธอเห็นดีแล้วด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริงด้วยอาการอย่างนี้ ภาษายตนะที่หนึ่งนี้จักเป็นอันเทระได้แล้วเพื่อไม่ให้ภาษายตนะนั้นะเกิดขึ้นอีกต่อไปคือผู้ที่ตามเห็นจักสุบว่าจักสุบไม่ใช่ของเราเราไม่เป็นนั่นๆไม่ใช่อัตตาของเราเนี่ยนะอันนี้เป็นข้อปฏิบัติเพื่อดับจักสุบเนี่ยนะพันจึงเป็นข้อปฏิบัติเพื่อดับภาษายตนะข้อที่หนึ่ง ท่านก็ทุกครั้งที่เห็นเนี่ยนะสามารถประมวลได้ไม่ว่าทั้งที่เห็นในอดีต ท, ทั้งหมดที่ผ่านมาและที่จักเห็นต่อไปทั้งหมดที่จักมีในอนาคตที่กำลังเห็นอยู่ในปัจจุบันนี้เห็นทั้งหมดว่าการเห็นทั้งหมดเนื่องด้วยจักษุทั้งนั้นนะตารบว่าจักษุไม่ใช่ของเราด้วยอำนาจของตันหาไม่ใช่เราด้วยอำนาจของมานะ ไม่ใช่อัตตาของเราด้วยอำนาจของทิฏฐิเนี่ยนะก็คือตามปฏิเสธตันหามานะทิฏฐิที่จะพึงอาศัยจักสุกเกิดขึ้นอันนี้แหละเป็นข้อปฏิบัติเพื่อให้ดับจักสุกมันก็เรียกว่าเป็นนิพพานอีทวารหนึ่งนะเพื่อที่จะดับตาไม่ให้มีตาขึ้นอีกต่อไปย้ําอีกครั้งหนึ่งว่าข้อปฏิบัติในาศาสนานี้ไม่ใช่ทําตาอันนี้ให้บอด เดี๋ยวไปเข้าใจผิดว่าเอองั้นก็ถ้าอยากดับตาก็ไปทําให้มันบอดมันก็หมดเรื่องหมดราวใช่ไหมอันนี้เขาไม่ไม่ใช่ตามพุทธศาสนาพุทธศาสนาที่เรียกว่ากองทุกข์ก็คือทํำยังไงจะไม่ให้ตาเนี่ยยังลงอีกทวารอื่นก็ในยาเดียวกันนะเพื่อไม่ให้ตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยอย่างน้อยที่สุดไม่ให้มีตาหูจมูกลิ้นกายใจในอาวายัยวะอันนี้ถือเป็นเบื้องแรกชนะที่จะต้องดับก่อนนะเป็นปัญหาเฉพาะหน้าแล้วทีนี้ถ้าจะดับ ตาที่แปดที่จะมาเกิดเป็นมนุษย์อีกก็น่าสนใจนีนะนะหรือว่าเออมาเกิดเป็นมนุษย์อีกครั้งเดียวก็น่าดีอะ่ะถ้ายิ่งดับตาที่เป็นการมาพบได้ทั้งหมดยิ่งแจ๋วใหญ่เลยนะั่นถ้าไม่มีตาทุกพบภูมิเลยก็ประเสริฐที่สุดแล้วมันเพราะฉะนั้นไอ้ข้อปฏิบัติหรือนิพานที่เรียกว่าอายติงอะปุนัพพายะเนะนะนะนี่ยนะก็คือนิพานนี่เชื่อว่าความไม่เกิดอีกต่อไปเพราะนั้นะถ้าหากว่า ผู้ที่ตามเห็นตาว่าไม่ใช่ของเราเราไม่เป็นนั่นนั่นไม่ใช่อัตตาของเราก็เป็นข้อปฏิบัติเพื่อดับตาก่อนเนี่ยหรือว่าเป็นทวารแห่งการพ้นทุกทวารแรกนแะแต่ว่าการที่จะไม่ให้เห็นว่านั่นของเรานั่นไม่ใช่เรานั่นไม่ใช่อัตตาของเราเนี่ยอันนั่นแหละเรียกว่าวิปัสนาคิดยังไงนะจึงจะไม่ไม่ให้ตาเป็นเป็นของเราเป็นเราเป็นอัตตาของเราอะนะ ใครมีวิธีการคิดโดยที่ให้รู้ว่ามันเป็นอย่างนั้นได้จริงๆอ่ะคนนั้นเรียกคนเจริญวิปัสนาน่ยจะจะใช้ศัพท์ไหนดีทางเกยสอเพื่อจะได้รู้ว่าตานี่ไม่ใช่ของเราไม่ใช่เราไม่ใช่อัตาของเราเนี่ยเอาไงดีอา้าวโมโแต่แหมวันเสาที่แล้วดีใจว่าจะเอาพ้นทวารตาเนี่ยั <c oughs> ยงจำได้นะแค่เว้นวันเองเ <c oughs> ือ การพื้นฐานนะว่าตาเนี่ยังไงก็ต้องเอามาทําปริญญาละตานี่มีกี่รูปนะทั้งหมดนะอัน น, น, นี้ก็ต้องทําความเข้าใจละตามีกี่รูปทั้งหมด น, นสะสสามภาระจกักษุมีห้าิบสี่รูปซึ่งในพูดตั้งกันแล้วตั้งกันเริ่มเรียนสลายยตนาวรคในห้าสิบสี่รูปก็แบ่งเป็นรูปที่เกิดจากกรรมอยู่สามกลุ่มเนี่นคือกายทัศกะจักขรทัศกะภาวะทัศกะเกิดจากกรรม เป็นกรรมมชรูปส่วนจิตตะชรูปมีแปดอุตูชรูปมีแปดอาหารชรรูมีมีแปดก็กรรมที่มาให้ผลเป็นจักสุกก็เนื่องจากมีอวิชากับตันหานั่นเองกรรมจึงให้ผลอันถ้าหากว่ามีตาแล้วอะไม่แทงตลอดอริยสัจอย่างที่กล่าวนะคือไม่รู้ความเกิดความดับอาสาธาอาทีนะวะนิสรณะของจักสุอันนี้เรียกว่าอาวิชยัย อันนี้เป็นอวิชชาถือว่าเป็นตัวที่จะให้มีตายต่อไปสองเมื่อไม่รู้อย่างนี้นะผู้ที่ไม่รู้เหตุเกิดความดับอาศท า, าอาทีนะวะนิสรณะของตาอย่างนี้ถามว่าเขาพอใจในการเห็นไหมเคยพอใจไหมเอ า, อางี้นะอาจต่อช่วงอาช่วงโทสะอาจจะไม่พอใจแบบนั้นเถอะก่อนหน้านั้นชีวิตมีความพอใจในการเห็นไหมถ้าพอใจ แล้วอริยมรรคไม่เกิดสําหรับบุคคลนั้นเนี่ยถือว่ายังไงก็ถือว่าต้องมีตาอีกถือว่าการชอบสีเป็นเหตุสร้างตาเนี่ยนะก็เกิดมาดูดอกไม้สวยไว้ดอกเดียวนี่ก็พอแล้วที่จะมีตาต่อไปเนี่ยนะถ้าไม่อบรมมรรคนะถ้าไม่อบรมอริยมรรคถ้าไม่รู้เหตุเกิดความดับอาศะถาอาทีนวะนิสระนี่มีตาอีกแน่แต่ว่าตาจะลึกตาจะโบตาจะเอียงตาจะเขยตาจะบวมจะ เข้าไข่หานอย่างคุณมุมีว่าก็ก็แล้วแต่ก็ตามสมควรแก่แก่เหตุเหมือนนทีนี้กรรมเนี่ยนะก็อาศัยการเห็นมานี่ก็ทํากรรมทั้งทางกายกรรมวจีกรรมและมนโนกรรมเพื่อให้มีตาอีกต่อไปถ้าเกิดใหม่อีกนะชาติหน้าถ้าเกิดอีกกนเนะถ้ามีตาแล้วต้องอาศัยอาหารมาหลอเลี้ยงมันต่อไปไนหะถ้าเกิดในพบใหม่อีกมันก็ประวัติศาสตร์มันก็แนวเดียวกันอยู่แล้ว แต่ถ้าหากว่าผู้ที่ละวิปลาสทวานตาได้นั่นแหละคือละวิปลาสในตัวตาก่อนนะเช่นสุภาพวิปลาสคน ท, ทั่วไปเนี่ยนะที่ดูตากันเนี่ยถ้าถ้าไม่ใช่คนเป็นโรคตาดูจะพอใจเลยนะใช่ไหมก็ดูว่าเออก็งามดีอ่ะ หรือมีไม่กี่คนอ่ะนะพอดูก็สมมติถ้าดูกระจกสองดูตาตัวเองไม่งามเลยนะก็น้อยมากอ่้นะแต่ปกติก็ยังถ้าไม่ชอบตาตัวเองก็ยังชอบตาคนอื่นอีกอยู่ดีเนี่ยนะอันนี้ยถือว่าเป็นตันหาใช่ไหมก็เป็นความพอใจอันนั้นเป็นสุภาพวิปลาสแต่ตาเราเนี่ยลืมเมื่อไหร่มันก็เห็นลืมตามเมื่อไหร่ก็เห็นลืมตามเมื่อไหร่ก็เห็นเอ๊เหมือนเดิมหมดเลยอันนั้นเป็นนิจจาวิปลาสสาคัญตาว่าเป็นเราอันนั้นก็เป็น อัตตวิปลาดนะถ้าสําคัญตาว่า ง, งามก็เป็นสุภาพวิปลาดเพราะฉะนั้นวิปลาดก็อาศัยอะไรเกิดก็อาศัยทวารตานี่แหละเกิดผู้ที่ยังไม่สามารถกําจัดวิปลาดเหล่านี้ได้ก็ตามสูตรเขาก็คือเป็นเหตุให้มีตาแต่ถ้าหากว่าข้อปฏิบัติเพื่อความพ้นจากสิ่งเหล่านี้คือไม่วิปลาดในตาเลยอะนั่นแหละเป็นข้อปฏิบัติ คนที่ไม่วิปลาดในตาเนี่ยจะเป็นคนที่ศีลดีมากสมถะก็ดีวิปัสนาจะดีมากนะเพราะนั้นข้อปฏิบัติจริงๆก็คือการไม่วิปลาดในจักสุดไม่สําคัญจักสูดด้วยอํานาจของความวิปริตเนี่ยนะไม่วิปริตในทวารตานั่นเองซึ่งอันนี้ต้องใช้ความเป็นพหูสูตรหรืออริยรัพย์คือสุตะเนี่ยนะมาช่วยเป็นอย่างมากจึงจะปฏิบัติได้จึงจะเจริญได้ที่จะใช้ผู้ต อย่างพุทธพจน์ตรัสว่านั่นไม่ใช่ของเรานั่นไม่ใช่เรานั่นไม่ใช่อัตตาของเรานี่ไม่ง่ายเลยนะที่จะมีความะจะมีความคิดแบบนี้นะไม่ง่ายแต่ถ้าเป็นสูตรต่อไปนะตะติยะภัษายะตะนาสูตรเนี่ยก็ก็เป็นสูตรในแนวเดียวกันที่บอกว่าคือคือเพื่อรู้เหตุเกิดความดับอนะพองศ์ก็ชี้นําเลยว่าเธอจะสําคัญความข้อนั้นเป็นไงจากโสเนี่ยเที่ยงหรือไม่เที่ยง S <S <an> นะก็ไม่เที่ยงพระเจ้าค่ะอันนี้ถ้าคิดแบบนี้บ่อยๆถามว่าละนิจจะวิปลาดได้ไหมตามคิดแบบนี้นะจักสุเที่ยงหรือไม่เที่ยงเอ๊ะเราจะเห็นได้อีกกี่วันเนี่ยถ้าถ้าเป็นแบบเจริญแบบมรณานุสติแบบธรรมนาทั่วๆไปก่อนนะเนี่จะเห็นอีกกี่ปีเนี่ยแล้วในตะระยะเวลาที่จะเห็นอีกต่อไปแล้วมันจะเห็นชัดหรือกลางวันกลางคืนนี่มันก็ไม่ค่อยเห็นนะนะถ้าหลับตาก็ไม่เห็น ลืมตาจึงเห็นและไอตัวตาเองก็อายุอีกไม่ยืนนะคนอื่นก็ตาบอดตาเสียมีให้เห็นเยอะแยะไปก็ถ้าน้อมาใคร้ควรแบบนี้บ่อยๆอันนี้จกสัญญาเนี่ยนะก็จะเข้ามาก็จะยอมรับว่าใช่จากสุขอันนี้เป็นสภาพที่ไม่เที่ยงจริงๆคือคือไม่เที่ยงแล้วด้วยด้วยสังเวมีสังเวขาวัตถุกเกิดร่วมด้วยเนี่ยนะมันไม่ใช่ว่าไม่เที่ยงแบบ เขาว่าไม่เที่ยงอ่ะฉันก็ไม่เที่ยงด้วยแต่ฉันไม่อยากจะเชื่อว่ามันไม่เที่ยงเท่าไหร่หรอกคืออย่างเช่นอ่ะเอ้ยยอมรับหรือเปล่าว่าตาเรามันไม่เที่ยงนะคือคือมีอัธยาศัยน้อมไปที่จะยอมรับว่าไม่แน่นะมันไม่เที่ยงเก่งๆกันนะแต่ถ้ามันเหมือนบางทีมันเหมือนกับการเจริญมรณ า, านุสติตเหมือนกันนะถ้าถ้ามานั่งอยู่ในสภาพแวดล้อมอีกตอนหนึ่งนะเนี่ยเฮ้เราก็จะต้องตายนะิงตายจริงหรือ น่าจะอยู่อีกนานอ่ะแต่ถ้าไปเหตุการณ์บางอย่างนะโอ้โหเราก็จะเป็นอย่างนี้หรือเนี่ ย, ยมาฟัง เ, เคยไปฟังเรื่องเกี่ยวกับเรื่องอพยพอ่ะนะเขาอยากสมมุติว่าชาวอัฟกานิสถานจะอพยพลงเรือเนี่ยจะไปขึ้นฟากที่ออสเตรเลียทหารลาตะเวนมันไม่ยอมให้ขึ้นอ่ะไม่ยอมให้ขึ้นฟังะนะมันก็ตรอนตรอนตรอนไปเนี่ยนะ แล้วก็บางทีอะเรือมันดับอยู่ในนั้นน้ำน้ำก็ไม่มีอยู่บนเรือเนี่ยนะแล้วจะขึ้นเกาะขึ้นประเทศไหนเขาไม่ให้ขึ้นยังไงเอาโหวัตตะเนี่ยมันจะเดือดร้อนขนาดไหนเนี่ยนะมีตาเนี่ยบริหารตาเนี่ยไม่ไม่ไหวเลยนะมีตามีหูมีจมูกลิ้นกายใจเนี่ย<ม>บริหารเนี่ยขนาดเป็นคนนี่ยนะขอขึ้นประเทศเขาเนี่ยเขาไม่ให้ขึ้นอนะ่ะเอ้อยู่กับเรือเนี่ยนะเรือมันก็หมดน้ํามหมดอาหารโอ้ระเหตดระเหเร่ร่อน จะกลับมาประเทศตัวเองมาอยู่ยังไงนะโอ้ยุ่งมากเลยนะมีขันนี่ไม่ดีเลยนะจะต้องหาอาหารมาหล่อเลี้ยงหาที่อยู่ให้หาอาหารเลี้ยงหาเสื้อผ้าหาเครื่องนุ่งหม่มทีนี้มีปัจจัยดีพอสีพออยู่ได้ก็สแสวงหาสิ่งที่มาสนองกิเลสอีกนะสนองตันหาอีกเพื่ออะไรก็ตันหาก็จะได้ทำกรรมเพื่อการเกิดใหม่อีกเนี่ยนะ จะรู้หรือไม่รู้ก็ตามการทำกรรมทั้งหลายอย่างเอามาพูดนี่ยก็เพื่อการเกิดใหม่นะถ้ายังไม่สามารถตัดฉันทะราคาได้อย่างจริงก็เป็นคำพูดที่เพื่อการเกิดใหม่ด้วยเพราะผลของกรรมเป็นอย่างนั้นเพราะกรรมมีหน้าที่ภาระของเขาคือให้ผลเป็นชาติอะกรรมมาพบนะให้ผลเป็นชาติให้ผมนำเกิดทีนี้ถ้าไม่สามารถที่จะรู้โทษภัยของตาหูจมูกลิ้นกายใจพออย่นพอที่จะละวิปลาสได้เหมนันน่ ถ้าไม่พอก็ก็เกิดอีกนานะนะนทีนี้ก็ถ้ามีตามใหม่อีกเนี่ยจะได้มีศึกษาจะได้ศึกษาข้อปฏิบัติเพื่อกำจัดวิปลาสจะไม่มีจะไม่มีคนสอนต่อไปทั้งหมดผู้ศาสนานะเพราะคำสอนชาวโลกทั่วไปเนี่ยที่ไม่มีผู้ศาสนาเนี่ยจะเป็นคำสอนเพื่อส่งเสริมวิปลาสทั้งนั้นเลยเนีย่ยนะจะเป็นแนวความคิดเพื่อส่งเสริมวิปลาสโดยเฉพาะอัตตวิปลาสอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องปกติใช่ห สุภาพวิปลาสก็เป็นเรื่องธรรมดานิจา ว, วิปลาสก็เป็นเรื่องธรรมดาเพราะนั้นพุทธศาสนาหรือคําสอนในพระไตรปิฎกเป็นคําสอนเพื่อกําจัดวิปลาสเนี่ยแล้วก็ถ้าเราเอาประเด็นหลักเนี่ยนะถ้าเราจับที่สาระของชีวิตเลยว่าพุทธศาสนาเป็นคําสอนเพื่อเนี่ยกำจับต้นเหตุที่จะให้มีตาต่อไปในอนาคตเนี่ยนะเาั้นคำสอนที่แสดงเยอะแยะนะอย่างสังยุตติกายสลายตนะวัฏเป็นเล่มๆอย่างเงี้ย พูดเพื่ออะไรพูดเพื่อให้ไม่มีตาต่อไปอ่ะถ้าถ้าเราจับจุดประสงค์นะียถ้าจับจุดประสงค์อย่างเงี้ยนะทุกสูตรจะมีความแตกต่างกันอยู่บ้างแต่มีจุดประสงค์เหมือนกันหมดจะแสดงในแง่ไหนก็ตามจะประกาศว่าตาไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นอนัตตาก็ตามจะประกาศบอกอย่าไปยึดถือนะจุดประสงค์เดียวกันหมดคือตัดชั้นธาระาในตาสเสถะนะหรือเพื่อละวิปลาสในตาสเสถะ คือละความเข้าใจพลาดเคลอนเข้าใจผิดเทียนเพราะไอ้ความวิปลาดนั่นแหละเรียกว่าอสาศาธาไ อ, อาาา้อสศธะอันนั้นแหละคือสมุทัยเนี่ยนะเพื่อให้มีตาเพราะฉะนั้นถ้าหากว่ารู้เห็นตามเป็นจริงก็ย่อมเบื่อหน่ายใช่ไหมถ้าเมื่อเบื่อหน่ายก็คลายกำหนักเนี่ยนะทีนี้ถ้าหากว่าผู้ที่ไม่เห็นภัยของการรักษาตา ต, าต่อไปเนี่ยนะไม่ไม่เห็นโทษที่ที่จะมีตาต่อไปนี่ก็ยงว่า ไอ้ข้อปฏิบัติคือการตามเห็นตาโดยความเป็นของไม่เที่ยงเป็นต้นก็จะอ่อนลงมีอยู่ครั้งหนึ่งอที่ว่าชวนเพื่อนไปจกักษุแพทย์เนี่ยเราก็เอ๊ะที่อุบลนะนีมีคนไข้มาเรียงนั่งเป็นตับเลยอะเพื่อมารอซ่อมตาอย่างเดียวน่ยนะไม่ทราบว่าส่วนดอกเยอะไหมคุณสุจิ น, เ, นนะเพื่อซ่อมเข้าอูซ่อมตาเนี่ยนะก็ไม่ใช่น้อยเลยนะ แล้วโรงพยาบาลทั้งเชียงใหม่เนี่ยถ้าเอาคนไข้ามาเรียงวันหนึ่งจะเป็นร้อยรอยคนเหมือนกันนะทั้งทั้งโรงพยาบาลทั้งหมดในเขตเชียงใหม่นะเอาโรคตาโรคเดียวเนี่ยมาตั้งสําหรับผู้ที่มีตาแล้วนะที่จะต้องมาซ่อมดูตาบํำรุงตาดูแลตาเนี่ยแล้วตาทั้งหลายถ้าถ้าเอาตาของสัตว์ในอบายที่เห็นแต่ภาพไม่ดีอยู่ตลอดเวลาเห็นแต่ภาพที่เช่นเห็นเขาตัดหัวเป็นเป็นว่าเล่นนะนะมีตาเพื่อให้ดูเขาตัดหัวอย่างเดียวไง มีตาเพื่อให้ดูเหมือนเขาเขาสับสัตว์นรกด้วยกันอย่างเงี้ยมีตาเพื่อที่จะได้เอาไปกัดกันอย่างสมมุติหมูเดรฉานใช่ไหมมีตาเพื่อจะได้ดูสัตว์ที่มันเวะแหวะเป็นแผลเป็นอะไรเต็มไปหมดเลยนะแล้วก็ตาตัวเองเดี๋ยวก็ถูกทิ่มถูกตามตาบอดตาเจ็บตาปวดเป็นโรคตาเนี่ยดังนั้นการตามเห็นว่าตานั้นไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราไม่ใช่ของอัตตาของเราหรือตามเห็นตาว่าไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นอนัตตามีความแปรปรวนไปเป็นธรรมดานี่ยนะ ไอข้อปฏิบัติเหล่านี้จึงเป็นข้อปฏิบัติเพื่อกําจัดตาทีนี้ถ้าหากว่าผู้ที่มีความเข้าใจเป็นอย่างดีเนี่ยถ้าเข้าใจจุดประสงค์หรือสาระของคําสอนถ้าตั้งอัธยาศาัยจริงๆจะเจริญไดนะ้แต่ว่าจะต้องกล้าหน่อยนะคือคําว่ากล้าที่จะคิดตามแบบคําสอนว่ า, านะคือกล้าคิดว่าตาเนี่ยตาเราเนี่ยไม่ใช่ตาคนอื่นกันนะเอาตาเราก่อนเนะี่ยแหละไม่เที่ยงนะยอมรับเลยจริงๆไม่เที่ยง เสรแล้วไม่เที่ยงพอไหมโตสี่สิบเอามาใส่ไปเลยนั่นแหละถูกแล้วไม่ผิดหรอกอะไรบ้างเป็นทุกข์เป็นโรคตัวโรคละตัวฝีนั้นลืมตาเท่าไหร่โอ้ใช้ฝีอีกแล้วนะถ้าเป็นที่อื่นบอกนี่แผลนะเนี่ยเช็ดตาทีก็เช็ดแผลทีอย่งเงี้เออนี่แผลทั้งนั้นนะโรคทั้งหลายก็อยู่เนี่ยโรคฝีเนี่ยนะก็ท่ามันแตกนะมันไม่ต่างจากฝีจริงๆหนะ้าตาเนี่ยเป็นโรคเป็นฝีแล้วก็ลูกศรเนี่ยนะ ถามว่าลูกสอนนี่เพราะอถรวาเสียดแทงนะตัวมันเองก็เสียดแทงแล้วนํามาซึ่งความเสียดแทงในใจเนี่ยเป็นอย่างมากใช่ไหมเห็นเห็นสีบางอย่างแล้วไม่สบายใจเป็นอาทิตย์มีไหมมีไหมคุณนภาไม่ใช่อาทิตย์หรอกตั้งหลายเดือนแนละ้วสีบางอย่างเลยเช่นสีที่ที่ที่เรียกว่าเห็นสีที่ไม่น่าปรารถนาเนี่ยนะโทสะเป็นปีๆเลยสําหรับบางคนเนี่ยนะจากการเห็นครั้งเดียว ไปเห็นสีที่หน้าปรารถนาะเพา้อฝันเป็นสิบสิบปีก็มีนะเห็นสีที่ปรารถนาเนี่ยนะเพราะมันเรียกว่าลูกสอนก็ไม่ผิดเพราะว่านํามาซึ่งความเสียแทงเป็นอย่างมากมและก็บอกว่าเป็นผู้ค่าเป็นฝ่ายอื่นเนี่ยคือถามมตาเนี่ยเป็นอย่างที่ต้องการไห ม, ไหมคือตอนนี้นะบุญมันให้ผลอยู่นะเราก็นึกว่าเราจะดูอะไรก็ได้อย่างใจเราชอบนะ ถ้าตาสมมุติว่าบุญมันหมดหรือปัจจัยมันหมดเช่นกรรมมะชะรูปเสียหายเนี่ยนะอุตุชรูปเสียหายจิตตชรูปเสียหายนี่ยอันนี้ซ่อมบำรุงแล้วอันนี้เดือดร้อนแน่เลยครับมีสำนวนไทยๆว่าเดือดร้อนจนตาเลือกเลยนะลนลานไปหมดเลยเนี่ยก็จะเดือดร้อนเพราะตาอีกนั่นแหละทีนี้ถ้าผู้ที่ยังไม่พ้นจากการเกิดเนี่ยนะจะต้องเครวตตาเนี่ยจะต้องไปปฏิสนธิหน้าที่ต่างๆ ถ้ามาเป็นมนุษย์เฉยๆนะตาที่เราเห็นเนี่ยสมมติว่าคนไปเปลี่ยนกระจกตามาเนี่ยเจ็บไหมคุณปิดาไม่หลังทําลยคือแต่หลังจากทํามาแล้วนะไม่เจ็บนะก่อนก็ไม่เจ็บหลังก็ไม่เจ็บนั่นแหละแสดงว่าคุณปิดามีบุญมากนะถ้าเป็นทั่วๆไปก็อาจจะลําบากหน่อยนะ แอบเดียวนะง่ายง่ายแต่ว่าไม่ใช่ว่าจะทาได้กับทุกคนขอมาฟังผู้ที่เป็นหมอหมอที่เปลี่ยนกระจกตาเนี่ยเปลี่ยนแก้วตาให้พูดไม่ใช่ทำได้กับทุกคนเย่างอย่างคนเป็นเบาหวานเนี่ยทาได้ไหมทำยากที่อื่นมไม่ทรางนะที่สวนดอกนี่นครับถ้า่อกระจกนี้นะครับ ผมมีความสึกมันธรรมดาทั้งหมคนที่มีเบาหวานจะทำเยอะอืมเขามีวิธีที่จะให้ดูแลแต่ว่าหลังจากผ่าแล้วเนี่ยเกิดไม่ใช่ว่าอที่พูดเนี่ยหมายถึงว่าคุณเนี่ยทําอย่างที่หมอทําบอกแล้วเขาจึงยอมรักษาให้แต่ก็มีคนไข้ที่ดืออ้อหมอเนี่ยนะเขาจะไม่รักษาให้นะแบบนั้นก็มีนี่ที่หมอที่ทําเองเขาเป็นคนพูดนะเนี่ยแสด น, เ, นเห็นว่า อจะเห็นมีทั้งหลายคนเลยครับที่เป็นบาหว่าแล้วไปทำก็อันนั้นก็แสดงว่าเชื่อฟังหมอหน่อยแต่ก็มีพวกที่ไม่เชื่อฟังกันไหมหรือว่าพวกที่เป็นโรคด้านอื่นๆเพราะว่าการดูแลมันไม่ใช่ว่าจะรักษาได้ทุกคนใช่ไหมถ้ารักษาได้ทุกคนเนี่ยในโลกนี้มันไม่น่ามีปัญหาหรอกน่าเพลิดเพลินเป็นอย่างยิ่งแต่ว่าไม่ได้เป็นอย่างนั้นเลยแล้วก็ แม้กระทั่งผู้ที่จะบริจาคดวงตาให้เนี่ยนะหลังจากตายไปแล้วนี่ก็ไม่ใช่ง่ายใช่ไหมคนที่ตายแล้วเอาไปเผา ฟ, ฟรีๆทิ้งๆเฉยๆเนี่ยนะกับผู้ที่เอาตาไปบริจาค ก, ก่อนตายเนี่ยไหนมากกว่ากันเนี่ยนะคนที่ไม่บริจาคมากกว่าเนถ้าใครที่ตามีปัญหาเนี่ยนะแล้วตามีปัญหามันก็พอที่จะแก้ได้ด้วยนะมันชะว่ า, าฟักอีกลูกหนึ่งแล้วเอาอีกลูกหนึ่งมาใส่เนี่ย น, นี่ทำไม่ได้อยู่แล้วงมันก็ผู้ที่มีตาเนี่ยนะ บริหารตาเนี่ยแม้กระทั่งคนตาดีๆเลยนะก็ยังมีตาเนี่ยแล้วมาบริหารใจอ่ะนะอย่างว่าอย่างของมาเนี่ยตามไม่ค่อยมีปัญหาว่าโดยรวมๆเลยนะแต่ขนาดนั้นอาศัยตาก็ไปดูเห็นแล้วก็อภิชาบ้างเห็นแล้วก็โทรมานัดบ้างเมื่อเห็นเนี่ยเพราะฉะนั้นก็นํามาสื้นความลําบากใจไม่ใช่น้อยเนี่ยนะเมื่อเมื่อมีการเห็นเนี่ย นำมาซึ่งโมหะบั่งนำมาซึ่งราคะโทสะโมหะเพราะว่าทวารที่จะให้เกิดกิเลสมาจากไหนก็มาจากตานี่แหละที่ไปดูสอดส่ายดูสี ต, ต่างๆก็นำมาซึ่งความทุกข์ใจไม่ใช่น้อยเนี่ยนะอันนี้ถือว่ามีบุญหน่อยนะที่มีตานะถ้าแบบอ่อานหนังสือก็อปวดตาอ่านหนังสือก็อเครียดมึนหัวไปหมดถ้าอย่างงี้ก็โอ้โหเดือดรอนีกันนะแล้วก็ ผู้ที่ยังไม่พ้นจากการเกิดก็ไม่พ้นจากการบริหารตาไนงะ